ดาวช่วงสีสดนักดนตรีไทยผู้มีอายุเลยปลดราชการแล้วเป็นผู้มีร่างกายซูบซีดเพราะโรคประจำกายหลายอย่างแต่ก็คงดำรงอาชีพทางเป็นครูสอนดนตรีไทยอยู่อย่างดั้งเดิมด้วยความนิยมดนตรีไทยของหนุ่มสาวนักศึกษาที่ยังติดตามร่ำเรียนกับครูดาวจึงเสมือนเป็นการเอื้ออารีแก่ชายชาราในทางอ้อมเพราะว่าครูดาวนอกจากจะชราภาพแล้วยังมีโรคขาพยาธเบียดเบียนอยู่เป็นประจำหากแต่ยังดูขึง กกระกระะชชุมวยผิดกับคนชราทั้งหลายก็เนื่องจากที่ครูดาวมีเคล็ดลับในการหล่อเลี้ยงหัวใจให้กับตัวเองแรงกร่งกล้าไม่ผิดไปจากหนุ่มทั้งหลายครูดาวก็คล้ายจะมีอายุในรุ่นราวคราวเดียวกับสิทธ์ที่ล้อมหน้าล้อมหลังอยู่โดยได้วิชาวความรู้ทางดนตรีไทยไปด้วยและก็เหมือนช่วยพยุงครูดาวที่เปรียบด้วยเรือรั่วจวนจะจมแหลมิจมแหลไปในวันพุ่งให้คงลอยลาอยู่ เวลาใดที่ครูดาวอยู่คนเดียวครูดาวมักจะจ้องมองดูบทกวีบทหนึ่งของสิทธดนตรีหญิงคนหนึ่งที่พยายามเขียนตัวอักษรโตโ ต, โตแล้วก็ใส่กรอบแขวนไว้ข้างฝาบ้านครูดาวเพื่อเป็นการเตือนสติของตนเองให้มั่นคงด้วยคำว่าแม้เป็นสิทธขอผูกจิตเป็นมิตรใจหามิได้พักดีแค่คำที่ร่ำสอนครูของเรานั้นก็เท่ากับบิดรถกวี่วันไหววอนขอแทนคุณ ครูดาวอ่านคำเหล่านี้โดยไม่ใช่ขนองใจตนว่าเรานี่คือครูคนสำคัญของเหล่าสิทธิ์ที่เคารพ บ, บูชาแต่ว่าครูดาวอ่านข้อความนั้นด้วยความตอบขอบคุณสนองน้ำใจสิทธิ์ที่ผุดผ่องมีกระตันยูอย่างสูงนั้นเด็กสาวผู้มีนามว่าแสงเดือน ที่สวยสุภาพผู้นี้จะไม่ตกต่ําด้วยแรงกรตันยูเป็นแม่นมั่นจะเป็นคนที่บ่ายใจขึ้นสูงผิดธรรมดาแต่อ น, นิจจาเด็กน้อยเ อ, อ๋ยความคิดและความกตันยูของเธอนั้นสูงจริงแต่มีอีกอย่างหนึ่งที่แฝงเงียบอยู่ในใจของเธอนั่นเองกําลังถ่วงเธอให้จมดิ่งลงมาแทนที่จะลอยสูงเด่นขึ้นไป แสงเดือนคิดเองค้นเองในเรื่องอนุภาพแห่งวิญญาณและก็พบเองว่าดวงวิญญาณของมนุษย์นี้มีอนุภาพอันแท้จริงย่อมทำอะไรก็ได้ จะไม่มีผู้ใดที่เก่งกล้าสามารถกางกันได้ถ้าวิญญาณดวงหนึ่งจดจ้องแล้วก็ผูกมัดอยู่กับวิญญาณใครอีกดวงหนึ่งที่แสนจะชื่นชมก็ย่อมจะนำวิญญาณของตนเองติดตามวิญญาณดวงนั้นไปได้ทุกขนแห่งทุกมุมโลกแม้ดวงวิญญาณที่ตนชอบและบูชานั้นจะทิ้งเรือนร่างเก่าลอยหายไปเข้าสู่ความว่างเปล่าแห่งโลกแล้วก็ตาม วิญญาณของเธอจะสามารถเดินทางและติดตามจนพบแม้จะล่าช้าผิดช่วงเวลากันนานเท่าใดก็จะต้องพบจนได้ด้วยความมั่นอันนี้ที่แสงเดือนมั่นใจว่าวิญญาณของเธอคือวิญญาณที่ติดตามครูดาวมาสำหรับความคิดอันนี้จะผิดถูกประการใดก็หามีใครจะชี้แจงคัดค้านเธอให้แยกไปในทางหนึ่งทางใดไ ด, ได้แต่สาหรับครูดาวล่ะ ครูดาวผู้มีอายุรุ่นพ่อของแสงเดือนเธอเคยได้ยินเธอพูดกับเขาบ่อยครั้งเมื่อรับหลังคนทั้งเคยประสานตากับครูดาวในขณะพูดอย่างใกล้ชิดแต่เปล่าเลยไอ้แก่ที่แก่รุ่นพ่อไม่เคยจะพูดจาปลอบโยนและชี้แจงห้ามปรามแต่อย่างใดไม่ได้ทำอะไรให้สมกับความแก่ที่ใครจะน่านับถือก็เปล่าทั้งสิ้นคงเป็นคนแก่ที่เห็นแก่ตัวหลงตัวเอง ความแก่ที่มากกว่าเขาน่าจะเห็นอยู่ชัดว่าเขากำลังเห็นแก่ตัวหลงตัวเองแล้วก็เดินทางผิดคิดผิด จงรีบชี้แจงให้เดินซะให้ถูกทางคิดซะให้เหมาะแก่ทางที่คิดเพื่อความรุ่งเรืองของตัวเองที่ยังมีชีวิตน้อยมีเวลาจะไปอีกไกลแต่กลับนิ่งเฉยหลงไปนิยมว่าสิ่งใดถ้าผู้ประเคนถวายจะไม่รับถวายนั้นจะผิดความศรัทธาเมื่อตัวเองไม่ใช่พระไปถือเอาอย่างพระเราย่อมไม่รับประเคนได้ในสิ่งที่ควรจะรับ คนแก่อย่างครูดาวที่ขาดที่พึ่งทางหัวใจขาดคู่ชีวิตมาแล้วมีอยู่แต่ความว้าเหววังเวงก็เกิดความนิยมยินดีเห็นแก่ตนจนมองไม่เห็นความขาวสะอาดผุดพอง แสงเดือนยังกำลังศึกษาชั้นสูงแล้วก็แอบมาเรียนดนตรีที่ซุ่มไว้โออวดเมื่อถึงคราวแต่สิทธิ์อื่นๆของครูดาวนั้นเสร็จการศึกษาแล้วก็ออกทำงานทำการเป็นอาชีพมีเวลามาเรียนดนตรีตอนเย็นและตอนกลางคืนเท่านั้นส่วนแสงเดือนเรียนตอนกลางวันจึงไม่มีโอกาสจะพบปะมักคุ้นกับสิทธิ์อีกมากคน วันไหนแสงเดือนมาเรียนไม่ได้จะมีเด็กคนใช้ถือหนังสือมาบอกเล่าแล้วก็ล่ำลาแก่ครูซึ่งรักษาระเบียบนี้มาเป็นอันดีและในขณะนี้ครูดาวกำลังนั่งอ่านจดหมายของแสงเดือนอยู่อย่างหน้าตาเศร้าหมองในจดหมายนั้นแจ้งให้ทราบว่าแสงเดือนล้มเจ็บซึ่งตามปกติแสงเดือนมีโรคอะไรเงีย บ, งบแงบแฝงอยู่ซึ่งหมอยังตรวจไม่พบและบัดนี้หมอเห็นแล้วว่าจะต้องยึดตัวไว้ในโรงพยาบาลเลยทีเดียว แม้ว่าครูดาวจะไม่รู้ว่าแสงเดือนเป็นโรคอะไรและมีอาการหนักแค่ไหนก็ห่วงใยและหนักใจที่สุดการไปนอนโรงพยาบาล น, นั้นถ้าใครไม่มีโรคหนักเหตุใดหมอจะยึดตัวไว้ครั้นจะไปเยี่ยมแสงเดือนก็ห้ามไว้เด็ดขาดว่าอย่าไปเยี่ยมเธอจนกว่าจะหายและกลับมาเยี่ยมครูเองทั้งยังสั่งเสียมาทางจดหมายอีกว่าขอให้ครูเร่งรักษาตัวเป็นการใหญ่เงินทองอย่าห่วงเลยเธอจะเป็นผู้จัดจ่ายให้ทั้งสิน้น ครูดาวถือจดหมายมือสั่นอยู่ผู้เดียวแสงเดือนเป็นที่พึ่งยิ่งใหญ่ของครูดาวซึ่งในชีวิตของครูดาวจะหาใครเหมือนแสงเดือนนั้นไม่มีอีกแล้วแสงเดือนให้ทั้งการครองชีพธรรมดาและให้ทั้งการปลุกปั้นเป็นกำลังใจแบบมหาศาลครูดาวมีความแกร่งกล้าหนักแน่นได้ผิดกว่าคนชราใดๆมีอนุภาคเกรียงกรด้ต่อสู้โรคาพยาติอยู่ได้อย่างประหลาด รวมความว่าแสงเดือนมีความสำคัญในตัวของเธอเองที่จะชุบเลี้ยงแล้วก็ให้ความอบอุ่นแก่ครูผู้ชาราของเธอได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจมิใช่เกิดแต่เพียงกําลังทรัพย์อย่างเดียวที่มาจุนเจือครูดาวอยู่ซึ่งจะชี้โทษครูดาวไปในทางปลิ้นปล้อนเด็กสาวนั้นก็ไม่ถนัดนักครูดาวมีชีวิตอยู่ได้อย่างแข็งแรงเพราะว่าความเป็นแก้วตาวดวงใจของแสงเดือนเป็นเด็กสาวที่มีอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีทุกๆอย่างให้แก่ครูดาว เทียบเท่าด้วยเธอคือแม่พระผู้ต่อชีวิตแล้วก็บำรุงหลอดเลี้ยงหัวใจของครูชาลาได้เป็นอย่างเลิศทั้งทาง ท, ง ท, งที่ครูดาวมีโรคประจําร่างกายอยู่ถึงสองโรคซ้อนกันอยู่คือโรคปอดที่ชอบการบำรุงเป็นอย่างดีจากยาดีอาหารดีแล้วก็โรคเบาหวานขนาดหนักที่ไม่ชอบการบำรุงทางอาหารนักก็เลยเป็นการยุ่งยากแก่การเยียวยายิ่งนัก เท่าที่ครูดาวคงมีชีวิตอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นการประหลาดแก่คนทั่วไปครูดาวมีกำลังลึกลับช่วยให้รุ่งโรจน์ชดช่วงกระชุ่มกระชวยดังหนุ่มแน่นดูเผินๆก็จะเห็นว่าคนแบบนี้เนี่ยตายยากพญามัจจุราชไม่มีทางที่จะมาเยี่ยมกระายเข้ามาได้แต่ว่าครูดาวก็รู้ว่าถ้าขาดแสงเดือนเมื่อไหรเมื่อนั้นครูเท่าก็ลงหลุมทันที ข่าวความเจ็บไข้แห่งแม่พระของครูดาวทำให้ครูดาวมีอาการสุดลงเป็นขั้นแรกคือความกระปี้กระเป๋าหมดไปยังคงเหลือเพียงแค่ความคงทนประคองตัวอยู่ได้ไม่ถึงแก่สุดหนักแต่ว่าการยิ้มแย้มสดใสหมดไป มีแต่การแข็งขึงไม่ร่าเริงตลกขนองเหมือนเก่าก่อนทั้งเวลาซ้อมดนตรีลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดก็จะรู้ว่าครูดาวทำสำนวนเพลงอ่อนลงการเคลื่อนไหวเพราะพริง้งความมีชีวิตชีวาก็อ่อนลงนายประสานศิษย์ใกล้ชิดอีกคนหนึ่งที่แอบรอบรู้ทันน้ำใจครูเขาให้อภัยครูเห็นใจครูเขาก็ภาวนาขอให้แม่พระของครูดาวเนี่ยจงปลอดภยัยแล้วก็หายเจ็บป่วยมาเป็นที่ตั้งแห่งกาลังใจกับครูต่อไป ในระยะเวลาผ่านไปเกือบสองเดือนที่ครูดาวรอคอยข่าวของสิทธิ์แม่พระอยู่อย่างใจจดใจจ่อก็เกิดสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลงกลางใจของครูดาวโดยเด็กคนใช้ของแสงเดือนมาบอกข่าวที่บ้านด้วยน้ำตานองหน้าว่าคุณแสงเดือนสิ้นชีวิตซะแล้วด้วยโรคมะเร็งร้ายแรงในลำไส้และกระเพาะอาหารครูดาวผู้เคยแกร่งของเหล่าสิทธิ์ได้ล้มลงหมดความรู้สึกไปชั่วระยะ พวกสิทธ์เข้าแก้ไขพยาบาลกันแล้วก็ตามหมอมาแก้ไขจนฟื้นคืนตัวอย่างเดิมครูดาวลั่นปากว่าจะต้องไปเยี่ยมศพให้ได้ในคืนนี้ สิทธิ์ชายสามคนจึงจัดการเอาครูที่รักไปถึงวัดมกุฏกษัตริยารามจนได้ในตอนค่าศพแสงเดือนตั้งอยู่ที่ศาลาใหม่โออาสิทธิ์ทั้ง3าประคองครูไปคํานับศพจุดทูบบูชาขมาศพแล้วก็ประคองครูผู้มีอาการกระดกกระเปีย้ยน่าสงสารออกมานั่งพักอยู่ที่ศาลาหลังเล็กมีหลังคาบังน้ําค้าง ขณะที่ครูดาวจุดธูปคำนับศพที่นอนอยู่ในโลงทองนั้นครูดาวนิ่งอัน้นพูดอะไรอยู่ในใจก็สุดที่ใครจะรู้ว่าครูดาวรำพันอะไรไปบ้างแก่ลูกศิษย์สุดที่รักน้าตาครูดาวไม่มีเลยตกในซะหมดแล้วมีเขาอยู่เพียงดวงหน้าเท่านั้นคือหน้าของครูดาวคล้ายคนตายแล้วสแสดงความชราออกมาอย่างชัดแจ้ง ครูดาวนั่งสงบฟังเสียงพระสวดเหมือนคนหัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ได้พูดอะไรไม่ได้คุยอะไรกับสิทธิ์3มคนเลยทุกคนไม่มีใครทายใจครูดาวออกว่าครูดาวกำลังมีหัวใจไปไกลถึงไหนอีกครูเดียวศาลาเล็กที่มีหลังคานั้นก็มีคนเพิ่มมากขึ้นอีกหลายคนส่วนมากเป็นผู้หญิงเข้ามานั่งรวมอยู่กับครูดาวแล้วก็หมู่สิทธ์ ในครู่นั้นเองก็เกิดปฏิกิริยาแปลกๆขึ้นในหมู่หญิงที่มาใหม่และก็มาเก่าคือพวกเขาต่างมองหน้าซึ่งกันและกันคล้ายสงสัยอะไรบางอย่างบางคนก็ยกแขนยกมือตนเองขึ้นดมแล้วก็สั่นหน้าบ้างบ้างก็กระซิบถามอะไรกันบางคนเหลียวหน้าเหลียวหลังอย่างระแวงสงสัยเหมือนหวัดหวัน พฤติการทั้งหมดนี้แม้ครูดาวจะนั่งนิ่งเหมือนคนตายแล้วก็เกิดมองเห็นถนัดและครูดาวก็หรีตาดูอากับกิริยาหญิงเหล่านั้นอย่างใคร่ครวญเวลายิ่งนานเข้ากิริยาของหญิงเหล่านั้นก็ดูกระวนกระวายไม่จบครูดาวจึงเอียงหน้ากระซิบกับหมูสิทธิ์อย่างเบาๆว่าให้ช่วยประคองครูไปเสียให้พ้นที่เก่านี่เถิดไปหาที่นั่งโปร่งๆหน่อย สิทธ์ทั้งหลายก็ประคองครูย้ายมาที่หมู่เก้าอี้ที่ตั้งเรียงรายทางด้านใต้ต้นไม้ใหญ่เป็นที่โปร่งไม่มีหลังคาเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วครูจึงกระซิบกับสิทธ์ว่าเราย้ายมาจากที่เก่านั้นดีและถ้าขืนอยู่ครูก็จะกลายเป็นผีหลอกเขาพวกนั้นลูกสิทธ์ทั้งสามคนฟังครูพูดแล้วก็ยังไม่รู้ว่าครูหมายถึงอะไรก็มองครูนิ่งอยู่แม่ญิงเหล่านั้นกาลังเข้าใจว่าครูแสงเดือนออกจากโรงมารวมอยู่กับพวกเขา ครูดาวหยุดพูดหน่อยหนึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะหัวเราะกันถ้ามีแง่ขบขันแบบนี้แต่บัดนี้ครูดาวเป็นอีกคนไปซะแล้วทำไมอ่ะครับลูกศิษย์อีกคนนึงถามแม่พวกนั้นแกได้กลิ่นน้ำอบไทยที่อาบศพกันตอนเย็นนะสิพวกเราทุกคนก็รู้ว่าผมเป็นคนชอบใส่น้ำอบปรุงเจ้าคุณทั้งใส่บนศีษะแล้วก็ผ้าเช็ดหน้ากลิ่นก็ฟุ้งตลบ แม่พวกนั้นได้กลิ่นเข้ามันก็เป็นกลิ่นน้ำอบไทยที่กระแจะจวงจันเช่นเดียวกันกับน้ำอบที่รถมือผู้ตายก็เลยเหมาเอาว่าแสงเดือนกําลังมาอยู่ใกล้ใกลกลิ่นฟุ้งตลบอยู่รอบข้างเขากระวนกระวายกันหนักขึ้นครูก็เลยขอออกมาซะให้พ้นขืนอยู่ก็เท่ากับเป็นผีหลอกพวกเขาครูดาวไม่หัวเราะแต่พวกลูกศิษย์หัวเราะคิกคักครูครดาวพูดจบแล้วก็นั่งขรึมต่อไปคณะของครูดาวนั่งอยู่ในงานนั้นอีกคเนว่าจนจะปิดศพ จึงได้คิดกลับแล้วก็การกลับของคณะครูดาวก็ต้องกลับเฉยๆโดยไม่รู้ว่าจะลาใครครูดาวไม่ใช่แขกเถื่อนเป็นแขกโดยตรงทีเดียวแต่วงญาติของพวกแสงเดือนไม่รู้จักเพราะว่าแสงเดือนแอบมาเรียนดนตรีกับครูดาวเ ง, งียบๆฉะนั้นการมาเยี่ยมศพจึงเหมือนแขกนอกเชิญ ครูดาวลุกขึ้นยืนด้วยหัวใจวาาหวิวเพราะว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่จะได้อยู่ใกล้เรือนร่างของแสงเดือนแม้เธอจะนอนสงบในหีบทองที่จัดว่าใกล้ๆกันนับแต่เก้าพ้นนี้ไปแล้วก็ถือว่าไกลสุดไกลแล้วแม่พระของครู หัวใจเหมือนจะแตกดับลงไปมีเซนิดหน่อยแต่พวกลูกศิษย์ก็ประคองอยู่ค่อยๆพากันผ่านเมนรูปเผาศพแล้วก็ผ่านศาลาดินทั้งสองข้างจะออกสู่ประตูกำแพงเขตเมนศิษย์เอารถจอดคอยอยู่ที่นั่นมีแขกบางรายกลับบ้านแต่ไม่มากนักขอบคุณค่ะคุณครูคะเป็นสิ่งผู้หญิงคนนึงที่ยืนอยู่ข้างประตูทางออกเธอแต่งชุดดา พวกสิทธุทุกคนก็เดาเอาว่าคงจะเป็นเจ้าภาพคนใดคนหนึ่งจึงต่างยกมือไหว้แล้วก็เดินล้ำหน้าครูดาวออกไปก่อนครูดาวยกมือไหว้หญิงนั้นด้วยกิริยาอิดโรยผมไม่สบายจริงๆครับเลยแอบหลบกลับก่อนกราบลาแล้วครับครูดาวพูดขอบคุณค่ะโถอุตส่ามาหญิงคนนั้นพูดครูดาวยิ้มแห้งๆยกมือไหว้หลาอีกครั้งแล้วก้าวเท้าตามลูกศิษย์พ้นประตูมาที่ถนนรถจอด ก็พอดีกับสติที่ฟเฟือนๆฟือนเลือนๆือนรางๆเนื่องจากเศร้าโศกได้กลับตวัดตัวเป็นสติที่เต็มสมบูรณ์แล้วครูดาวก็ร้องโวยวายขึ้นอย่างไม่เป็นเสียงมนุษย์เพราะเมื่อกี้ไม่รู้ว่าพูดกับใครแต่เดี๋ยวนี้รู้แล้วว่าตะกี้นี้พูดกับใครก็เสียใจและตกใจสุดขีดเซ่แผลดไปพวกสิทธ์กระโดดเข้าประคองขึ้นรถต่างแก้ไขกันทั้งยาดมต่างๆออกรถไปเถอะ ประสานออกคำสั่งไปข้างหน้าอาจจะพบหมออาจจะพบยาบ้างอยู่ที่วัดเนี่ยจะมีหมอที่ไหนครูแน่นิ่งไปทุกคนไม่รู้ว่าครูเป็นอะไรแต่ก็พยาบาลกันตามมีตามเกิดรถก็วิ่งเรื่อยไปครูเป็นไงบ้างครับครูลูกศิษย์อีกคนหนึ่งถามโอ้ยไม่เป็นไรแล้วครูดาวตอบครูเดินมาดีๆผมก็คอยครูจะขึ้นรถประสานว่าถูกแล้วครูจาไม่ได้จริงๆครูดาวพูดอย่างเสียใจใครอะครับคนนั้น่ะ ประสานถามแสงเดือนครูดาวว่าพอได้ยินคําว่าแสงเดือนลูกศิษย์ทุกคนก็เกิดหนาวสะท้านตามกันไปเป็นเวลาหลายชั่วโมงนับแต่ครูดาวได้รับข่าวการตายของศิษย์ยอดดวงใจและจนมาคํานับศพและนั่งฟังพระสวดครูดาวไม่ได้ร้องไห้เลยน้ำตามันหายไปไหนหมดมีแต่กิริยาของผู้เท่าที่ใจรู้เท่าถึงการตายการเป็นจบด้วยทางธรรมะจิตสงบด้วยการปลง แต่บัดนี้ครูดาวร้องไห้หนักเสียใจว่าไม่ควรจะโวยวายเมื่อจําได้ว่าผู้นั้นคือแสงเดือนควรที่ครูดาวจะโผลเข้าไปหาจึงจะถูกการเป็นไปดังนั้นเท่ากับครูดาวรังเกียจเธอและกลัวเธอหรือปกติรักแทบจะกลืนยังไม่ทันไรก็เปลี่ยนไปดังนั้นหรือครูดาวจึงอยากร้องไห้ให้มันสิ้นใจไปซะตรงนี้ น่าเห็นใจครูดาวที่แกพบกับเหตุการณ์อย่างนั้นยืนคุยกันหลายคําตรงหน้ากันทั้งใกล้ชิดเพียงแค่คืบแต่สติกับดวงตาไม่ประสานงานกันจึงไม่รู้ว่ากําลังพูดกับใครครั้นพอลากันแล้วสติกับดวงตาเกิดประสานงานกันขึ้นจึงรู้ว่าเมื่ออึดใจนี้กําลังพูดอยู่กับผู้ตายที่นอนอยู่ในโรงทองนั่นเองจึงร้องโวยวายขึ้นโดยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรได้ถูก แท้จริงแล้วสิรักและสงสารครูของตัวว่ามาเยี่ยมศพโดยตัวไม่มีใครรู้จักจึงมีสภาพเป็นแขกเถื่อนจะเดินจะเหินก็ไม่ค่อยจะไหวสงสารจับใจจึงเดินมาส่งถึงประตูกำแพงเมนแต่ครูก็จำสิทธิ์ไม่ได้เพราะว่าสติหลงไปซะแล้วเพราะความเสียใจและก็น่าจะเป็นเช่นนั้นใครล่ะในโลกจะคิดว่าผู้ที่ตายที่นอนอยู่ในโรงจะมาส่งแขกที่มาเยี่ยมด้วยตนเอง ต่อมาครูดาวได้ล้มเจ็บลงและมีสภาพเหมือนครึ่งคนครึ่งผีนอนแสววพูดจาไม่รู้เรื่องอะไรนักเป็นการที่ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วพวกสิทธ์ก็ผลัดเวรเปลี่ยนการพยาบาลหมอก็มีประจำไม่ขาดแต่จะแก้ไขโดยรวดเร็วนั้นเป็นไปได้ยากเพราะว่าสองโรคที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันย่อมต้องใช้เวลารักษานานกว่าธรรมดาหมอได้พยายามเต็มที่ทุกคนจึงมีหวังว่าครูดาวจะดารงชีวิตไปได้อีกนาน แม้เป็นสิทธิ์ขอผูกจิตเป็นมิจใจหาไม่ได้พักดีแค่คำที่พร่ำสอนครูของเรานั้นก็เท่ากับบิดรทุกวี่วันไหววอนขอแทนคุณคำเตือนใจของแสงเดือนที่ใส่กรอบติดข้างฝาปรากฏแก่สายตาทุกคนอ่านแล้วก็ถอนใจกลางวันไปทำงานจ้างผู้หญิงแก่ๆมาดูแลพยาบาลครูแทนตัวพอตกเย็นตัวเองก็มาพร้อมกันทุกคนไม่มีใครทอดทิ้ง ครูดาวเป็นคนเจ้าเหตุเจ้าผลย่อมระ ง, งับสติได้เป็นอย่างดีความเศร้าที่เป็นส่วนตัวก็เก็บไว้ในอกไม่เผยอะไรออกมาอวดใครความมีอายุของครูดาวรู้จักเรื่องการเกิดการตายดีมากไม่ทำให้ใครวุ่นใจนักกลางคืนสิทธ์ทุกคนนอนห้องเดียวกันกับครูทั้งหมดแต่ห่างออกไปกลางมุ้งใหญ่นอนกันหลายคนเปิดไฟสว่างเผื่อครูต้องการอะไรหรือเป็นอะไรขึ้นปุ๊บปับ๊บจะได้ตื่นขึ้นรับใช้ได้ทันการ ครูดาวเป็นคนที่มีความรู้สึกเกรงใจสูงไม่ยอมให้มีอะไรเกิดการรบกวนแก่ลูกศิษย์เลยถ้าไม่จำเป็นโดยแท้มีอยู่คืนหนึ่งพวกลูกศิษย์หลับกันหมดแล้วครูดาวยังคงนอนหลับตาเฉยๆอยู่คล้ายคนหลับแต่เปล่าเลยครูดาวยังไม่หลับนอนคิดอะไรต่ออะไรอย่างเป็นอิสระครูดาวจะไปเยี่ยมสบแสงเดือนอย่างเป็นอิสระที่สุสาน จะหาดอกไม้ที่แสงเดือนชอบไปคำนับศพจะไปนั่งอยู่ด้วยนานๆตามใจไม่มีใครจะห้ามที่นั่นเองที่ครูจะได้ใกล้ลูกศิษย์เสมอแสงเดือนเป็นอิสระแล้วทุกคนแม้แต่พี่น้องพ่อแม่จะมานั่งอยู่กับแสงเดือนอย่างครูดาวจะมีหรือหาไม่ทั้งทางที่ทุกคนไม่ต้องการแล้วในแสงเดือนทั้งรังเกียจทั้งกลัวแต่การที่ครูดาวต้องการแบบนี้แม้วิ ญ, ญญาณของแสงเดือนจะลอยล่องไปแห่งใดแล้วก็ตามแสงเดือนเอ๋ย ครูดาวจะยึดเอาร่างกายอันผุพังของสิทธิ์นั้นเป็นที่ตั้งจะอยู่ใกล้ๆจนกว่าตัวครูจะหมดลมตามไปครูดาวนอนวาดภาพความตั้งใจไว้อย่างผาสุขหูจึงเกิดได้ยินเสียงซอดด้วงของใครคนหนึ่งกำลังท่องเพลงอยู่ข้างที่นอนของครูดาวนั่นเอง แต่เสียงซอนั้นแสดงว่าทําการระงับเสียงไว้คือเอาแท่งดินสอขัดหน้าซอแทนหยองๆยองที่แท้จริงแบบนี้เป็นการระงับเสียงดังเอาเพียงได้ยินเฉพาะตัวว่าเพลงที่ท่องนั้นจะถูกหรือผิดครูดาวนิ่งฟังอยู่นานหัวใจที่ระหโหยรยแรงดูค่อยพลุ่งพลงขึ้นจึงลืมตามองตามเสียงที่ข้างมุง้งไม่ผิดหูไปเลยเสียงซอนั้นจําได้และก็ใช่จริงๆคนสีซอคือแสงเดือน ความดีใจทําให้ไหวตัวยวบุบสิทธิ์ทิ้งครูไม่ได้เลยครูอย่ารังเกียจสิทธิ์เลยครูขาแสงเดือนพูดเบาๆแล้ววางซอลงข้างตัวพลางค่อยๆเผเฉยาชายมุง้งเอื้อมมือจับแขนครูของเธอครูดาวเอามือของตัวจับทับมือสิทธิ์อีกทีแล้วร้องไห้แสงเดือนเอ๋ยในที่สุดก็มีกรรมวิญญาณต้องมาวนเวียนอยู่กับครูครูดาวพูดแล้วร้องไห้สิทธิ์ยอมทุกอย่าง ขอติดตามทุกมุมโลกแสงเดือนก็ร้องไห้ครูสบายใจเถิดแสงเดือนจะอยู่ใกล้ครูตลอดเวลาแต่ก่อนนี้แสงเดือนเข้าใจผิดคิดว่าความตายเท่านั้นจะมาแยกเราได้ที่แท้ความตายไม่สามารถจะแยกเราได้วิญญาณของเรามีสิทธิ์เต็มสมบูรณ์ใครเล่าจะกางกัน้นที่สุดสิทธิก็มาอยู่ใกล้ครูจนได้ครูดาวนิ่งฟังที่แสงเดือนพูดพร้อมกับ ดึงมือของแสงเดือนขึ้นมาแนบหน้าแล้วค่อยๆจูครูคะสิทธิ์สงสารครูเหลือเกินในวันที่ไปเยี่ยมศพของสิทธิ์ครูไปโดยมีร่างกายกระปกกระเปี้ยแล้วก็ไปคล้ายกับเป็นแขกนอกเชิญแต่ความจริงครูเป็นแขกที่ยิ่งใหญ่ของสิทธิ์และสิทธิ์เชิญครูของสิทธิ์อย่างจริงจังสิทธิ์คอยรับรองครูตั้งแต่ครูย่างเทาเ้าเข้าเขตวัดเมื่อครูจุดทูบขมาศพสิทธิ์แล้วก็พากันหลบแขกอื่นๆไปนั่งที่ศาลาเล็ก สิทธ์ก็ตามไปอยู่ด้วยแต่แล้วครูก็ย้ายไปนั่งยังที่ใหม่คือที่คนต้นไม้ใหญ่สิทธ์ก็ตามไปอีกแต่ครูของสิทธ์เสมือนคนสติฟั่นเฟือนไปจากเดิมราวกับหมดความรู้สึกตอนขากลับครูยืนร่ำลาสิทธ์อยู่ในใจความจริงสิทธ์ก็ยืนอยู่ใกล้ๆครูแต่ครูมองไปทางลงที่ส่ร่างกายของสิทธ์ที่อยู่ในศาลาแล้วพวกสิทธ์ชายก็ได้ประคองครูเดินกลับสิทธ์สงสารครูถึงขั้วหัวใจ ครูเหมือนคนไม่มีวิญญาณซะแล้วมีแต่ร่างกายที่เดินตามเข้าไปตอนสุดเขตเมนที่เผาศพประตูกำแพงนั้นสิทธ์ได้สำแดงร่างกายให้เห็นแต่ครูจำสิทธ์ไม่ได้เพราะวัสติลอยครั้นลาแยกกันครูเกิดจำสิทธ์ได้และร้องโวยวายขึ้นสิทธ์เสียใจที่สุดที่เป็นไปดังนั้นครูคะสิทธ์ตามครูมาแล้วและจะตามจนสุดหนทาง แสงเดือนพูดไปตามความมั่นใจแห่งวิญญาณตนแ น, แน่วแน่ตามที่คาดหมายครูดาวนอนฟังเธอด้วยใจอันผาสุกและเป็นคืนที่ครูดาวมีความสุขใจที่สุดในชีวิตที่เคยต่อตอนรุ่งเช้าได้มีการอนละเวงขึ้นในหมู่สิทธิ์อย่างยิ่งยวดคือครูดาวนอนสิ้นลมตัวแข็งซะแล้วประสาน ร, ร้องไห้เสียงดังเหมือนกับเด็กและบ่นว่าพวกเราไม่ได้ทิ้งครูเลยแต่เอาครูไว้ไม่อยู่และครูก็ทิ้งสิทธิ์ไปซะแล้ว